พุทธประเพณีการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรถามภิกษุกัสปะโคตดังนี้ว่าภิกษุเธอยังสบายดีอยู่หรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือเธอเดินทางไกลมาไม่ลำบากหรือ เธอมาจากที่ไหนภิกษุกัสปากโคดกราบทูลว่ายังสบายดีข้าพระพุทธเจ้ายังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าและข้าพระองค์เดินทางไกลามาไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข้าในชนบทแคว้นกาสีมีหมู่บ้านชื่อว่าวาสภะข้าพระองค์อยู่ประจำในอาวาสในที่นั้น ฝักไฟในการก่อสร้างขวนขวายอยู่ว่าด้วยวิธีใดหนอภิกษุผู้มีศีลดีงามที่ยังไม่มาพึงมาและภิกษุผู้มีศีลดีงามที่มาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุขและอาวาสนี้จะเจริญงอกงามไผบูนได้พระพุทธเจ้าข้าต่อมาภิกษุจำนวนหลายรูปเที่ยวจาริกไปในแค้นกาสี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 ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุที่อยู่จําในอาวาดรูปนี้ดีจริงได้จัดแจงน้ําสงแม้ข้าวต้มของเคี้ยวพัตตาหารก็จัดแจงให้เอาเถอะพวกเราพักอยู่ในวาสภา ค, คามนี้แหละภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นได้พักอยู่ในวาสภา ค, คามนั้นเอง พระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุที่อยู่ประจำในอาวารูปนี้ดีจริงได้จัดแจงน้ำสงแม้ข้าวต้มของเคี้ยวพัตตาหานก็จัดแจงให้เอาเถอะพวกเราพักอยู่ในวาสภาคามนี้แหละภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้น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 ทำได้ยากอันหนึ่งการออกปากขอย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของคนทั้งหลายอยากระนั้นเลยเราไม่พึงจัดแจงข้าวต้มของเคี้ยวพันตาหารแล้วเลิกจัดแจงข้าวต้มของเคี้ยวพันตาหารพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นปรึกษากันว่าท่านทั้งหลายเมื่อก่อนนี้ภิกษุ ที่อยู่ประจาในอาวาดรูปนี้จัดแจงน้ำสงแม้ข้าวต้มของเคี้ยวพัตตาหารก็จัดแจงให้เวลานี้ภิกษุที่อยู่ประจำในอาวาดรูปนี้ไม่จัดแจงข้าวต้มของเคี้ยวพัตตาหารแล้วท่านทั้งหลายบัดนี้ภิกษุที่อยู่ประจำในอาวาดรูปนี้ไม่ดีเสียแล้วเอาเถอะ พวกเราจงลงอุเขปนียกรรมภิกษุที่อยู่ประจำในอาวาสรูปนี้ออกไปพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นประชุมกันได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าท่านเมื่อก่อนท่านจัดแจงน้ำสงแม้ข้าวต้มของเคี้ยวพัตตาหารก็จัดแจงให้เวลานี้ไม่จัดแจงข้าวต้ม ของเคี้ยวพัตตาหารเสียแล้วท่านต้องอาบัตแล้วท่านเห็นอาบัตนั้นไหมข้าพระองค์กล่าวว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัตที่พึงเห็นพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพวกภิกษุอาคันตุกะได้ลงอุกเขปนิยกรรมข้าพระองค์เพราะการไม่เห็นว่าเป็นอาบัตข้าพระองค์ได้มีความคิดดังต่อไปนี้ว่า เราไม่รู้เรื่องนี้ว่านั่นเป็นอาบัติหรือไม่เป็นอาบัติเราต้องอาบัติหรือไม่ต้องอาบัติเราถูกลงอุกเขปนิยกรรมหรือไม่ถูกลงอุกเขปนิยกรรมด้วยกรรมที่ชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมถูกต้องหรือไม่ถูกต้องควรแก่เหตุหรือไม่ควรแก่เหตุอยากระนั้นเลยเราพึงเดินทางไปกรุงจำปา แล้วกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเกี่ยวกับเรื่องนั้นข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาจากวาสภคามนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุนั่นไม่เป็นอาบัตินั่นเป็นอาบัติหามิได้เธอไม่ต้องอาบัติเธอต้องอาบัติหามิได้ เธอไม่ถูกลงอุกเขปนียกรรมเธอถูกลงอุกเขปนียกรรมหามิได้เธอถูกลงอุกเขปนียกรรมด้วยกรรมที่ไม่ชอบทมไม่ถูกต้องไม่ควรแก่เหตุเธอจงไปอยู่ในวาสภาคามนั้นแหละพิษุกกัดสปาโครทูลรับสนองพระพุทธดารัสแล้วลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไปสู่วาสภาคาม3ามครั้งนั้นภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นมีความกังวลใจมีความเดือดร้อนใจปรึกษากันว่าไม่ใช่ลาบของพวกเราพวกเราไม่มีลาบหนอพวกเราได้ชั่วแล้วหนอ พวกเราได้ไม่ดีแล้วหนอที่ลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่ต้องอาบัตเพราะต้องเรื่องที่ไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรเอาเถอะพวกเราจะเดินทางไปกรุงจมปาแล้วแสดงโทษที่ล่วงเกินโดยยอมรับผิดในพุทธสํานักลำดับนั้นภิกษุอาคันตุกะพวกนั้น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 พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพวกเธอเดินทางไกลมาไม่ลำบากหรือพวกเธอมาจากที่ไหนพวกภิกษุอาคันตุ ก, กะกราบทูลว่าสบายดีพระพุทธเจ้าข้า ยังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าค่าและพวกข้าพระองค์เดินทางไกลามาไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข้าในชนบทแคว้นกาสีมีหมู่บ้านชื่อวาสพัขามพวกข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาจากวาสพขามพระพุทธเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคตรถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอ ลงอุกเขปนียกรรมภิกษุที่อยู่ประจําในอาวาสหรือภิกษุอคันตุกะกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัถามว่าพวกเธอลงอุเขปนยกรรมเพราะเรื่องอะไรเพราะเหตุอะไรพวกภิกษุอคันตุกะกราบทูลว่าเพราะเรื่องที่ไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตาหนิว่าโมฆบุรุษทั้งหลายการกระทาของพวกเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยโมฆบุรุษทั้งหลายฉะนันพวกเธอจึงได้ลงอุกเขปนยกรรมภิกษุผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัต เพราะเรื่องที่ไม่สมควรเพราะเหตุที่ไม่สมควรเล่าโมฆบุรุษทั้งหลายการทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสละครั้นทรงตาหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงลงอุกเขปนียกรรมภิกษุผู้บริสุทธ ไม่มีอาบัตเพราะเรื่องไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรสงฆ์หมู่ใดลงอุกเขปนียกรรมต้องอาบัตทุกกฎลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้ลุกจากอาสนะห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งซบศีรษะลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่ได้ลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติเพราะเรื่องที่ไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดรับการขอขมาเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เอาเถิดภิกษุทั้งหลายการที่พวกเธอทั้งหลายได้กระทำความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่ได้ลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติเพราะเรื่องที่ไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พวกเธอเห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง